hmm <smart noise>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 ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนั้นที่พ้ทุกได้คนอื่นๆก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันถากว่าปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงเทศานาะหรือว่าแจกแจงแนวปฏิบัตินั้นก็คือทางสายกลางหรือว่ามชิมาปฏิปทาถ้าพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนะแล้วก็จบเพียงเท่านั้นนะ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 เรียกว่าอัศรบูชานะ <_ d ance> เพื่อเราลึมนึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในปฏติศาสตร์เอาพวกเราคงทราบดีแล้วว่าบรรดาวัคคีทั้งหท่านเนี่ยนะก็เคยติดตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะท่านเหล่านี้ก็เชื่อว่าพระพเจ้าชายสิทธัตถานี้แหละวันหนึ่งก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามพระองค์ออกบวชแต่สุดท้ายก็ ลาทิ้งพระองค์ไปเมื่อเห็นพระองค์เนี่ยเลิกบําเพ็ญทุกขลกิริยาปัญจวัคคีก็มาหลบเลียงมาอยู่ป่างอิศิปฏนะมรุกขทยวันพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อทรงตัดสัรู้นะที่บิณฑฝั่งไปน้ําเนรัญชาราซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธคยาทุกวันนี้พระองค์ก็มีพระทัยเมตตานะึกถึงปัญจวัคคี เป็นกลุ่มแรกที่จึงนึกถึงคนอื่นก่อนนะนึกถึงอาจารย์ของท่านอารันด บ, บุทกดาบดแต่เมื่อได้ทราบโดยยานว่าทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีนะซึ่งเคยตามเสด็จปฏิบัติร่วมกับพระองค์พระองค์ก็เดินเดินด้วยเท้านะทศเจ้านี่เสด็จพระดาเนินด้วยเท้ามาตลอดพระชนชีพ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 วายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอภมาเทนะสัมปเททะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแค่นี้แหละปะชิโมวาดสั้นมากนะแต่ว่าปฐมเทศนานี่ยาวมากและเนื้อหาก็ลึกซึ้งด้วยพวกเราศาสตรที่เราสาธยายใคร่ควรบางคลก็งงๆนะหมายความว่ายังไง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 การทรมานตนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการหมกมุ่นในกรรมที่ปัญจวคีเนี่ยละทิ้งมานะปัญจวคีเนี่ยละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าการมสุขาริการนิโยคเช่นเดียวกับเจ้าชายจิตทธธัตถะการมสุขาริการนิโยนี่เรียกง่ายๆว่าการปนเปื้ตนด้วยการรมนะปนเปื้อนตนด้วยกรรมหรือหมกมุ่นในกรรม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 นะความพ้นทุกเนี่ยทางพ้นทุกจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นทางที่หนึ่งทำให้เกิดความสงบนะอย่างแรกหรือทำให้ใจสงบและการที่สองทำให้ใจสว่างสว่างก็คือว่านะเกิดปัญญาเกิดจักสนะุเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้พร้อมเนี่ยการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือแนวทางแต่ก็ตามาที่ไม่ทำให้เกิดหนึ่งความสงบ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 แต่ไปคิดว่ามันมีแต่เล่ามีมีแต่มันมีต่ยาบ้าที่เศพติดเดี๋ยวนี้คนเศพติดเงินมากนะพอเสพเพราะว่ามันเสพติดในกางพอเสพติดในกางก็ต้องหาเงินพอเศพติดเงินนะมันก็ต้องไปดิ้นรนหามานะถ้าใช้วิธีการที่สุดจริตได้มาน้อยก็ต้องหาทางโกงคอร์รัปชันเพื่อจะได้มามากแล้วก็อย่างที่ว่าได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ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 พอเสร็จไม่รู้จักยังไม่รู้จักประมาณนะเป็นยังไงโรคถามหาโรคอว้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจนะมันไม่มีความสุขทั้งกายและใจเลยความปนเปรตตนเนี่ยนะการเปนโปรตตนด้วยกามเนี่ยส่วนการทรมานตนก็เหมือนกันนะการทรมานตนเนี่ยนะเราก็ทําด้วยการาาทําร้ายตัวเองหาความสงบในจิตใจได้ยาก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 บางคนไปเข้าใจว่าอิสลามคือไม่เกี่ยวข้องเนี่เราจะเห็นลัทธิบางลัทธินะเขาไม่ใส่เสื้อเลยเขาไม่มีทรัพสมบัติอะไรเลยเพื่อการประกาศตัวสรือแสดงตนว่าเขาเป็นอิสลามแล้วเขาปล่อยวางแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่เสื้อเขาไม่ใส่กางเกงก็คือพวกลัทธิเชนนิคโดยพณิ ก, กาที่คาพนรนุ่งลมผมฟ้านะเขาต้องการประกาศว่าเขาเป็นอิสลาม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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกการสุขาริการนิโยคนะอย่างที่ผู้เจ้าตรัสนะในธรรมจักรัตนาสูแต่ว่าเราก็อาจจ ะ, ะยังคงปลเปร้ตนด้วยกามอยู่นะเพราะว่าเราตกเป็นทาสของกามจริงเนี่ยไอ้การการสุขาริการนิโยเนี่ยนะในความหมายที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยนะมันก็คือการเพลินในความสุขโดยเพราะความสุขนะ ทางกายหรือความสูตจากการเสพเราอาจจะไม่ถึงขั้นนะปนเปิดตนด้วยกามนะอย่างในสมัยพุทธกาลนะซึ่งมีการเปนินเปื้อนหลายอย่างโดยเพราะเนี่ยนะปนเปื้อนตนด้วยเพศสัมผัสอย่างที่เราเห็นในกามสูตรหรือว่าในในภาพสลักอย่างเช่นที่คชชุรโหที่ประเทศอินเดียเนี่ยจะเห็นการเสพกามลักษณะต่างๆมากมาย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 คนเราถ้ายังเพลินในความสุขเนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในทางสุดตรงนะเพลินในความสุขนะได้กินอาหารที่อร่อยนะได้ดูหนังฟังเพลงก็เพลินอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพวกป็นประตนด้วยกามเหมือนกันซึ่งก็ทําให้ยังหนีความทุกข์ไปไม่พ้นเพราะว่าพอเพลินแล้วเนี่ยก็ติดพอติดแล้วก็อยากได้อยากมีมากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ นี่ก็ทุกเหมือนกันไม่มีความสงบและประการต่อมาคือพอสุกนั้นมันเจือจางไปพอสุกนั้นมันเจือจางไปนะอาหารที่เคยกินอร่อยนะอร่อยมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอร่อยน้อยหน่อยนะไม่สุขล้ทั้งที่มันยังอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่านะที่เคยเสพไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดมันหายไปเลยนะ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 พอโทรสัพท์หายเนี่ยนะหรือว่าการมันหายไปเนี่ยทุกเลยนะบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทแต่ที่มันเป็นธรรมดาดังเพลในความสุขเนี่ยนะแม้จะไม่ถึงขั้นบกมุ่นในกามหรือเปิลเปิลต้นด้วยกามนะอย่างที่เราเคยเห็นแต่ตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภทเปิลเปิลตนด้วยกามที่ละเอียดลงไปก็ได้แล้วก็จะไม่มีความสุข ตรงข้ามกับคนตรงข้ามกับเพลินในความสุขนะก็คือจมอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็เป็นเราเหมือนกันนะจมอยู่ในความทุกข์ก็เป็นอัตตะเกียร์บรรามนุโยคนะแต่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการนอนบนตะปูหรือว่าอดอาหารนะห ล, หลายวันหรือว่ายืนขาเดียวนะเป็นเดือนเป็นปีแต่เราก็อาจจะอยู่ในฝ่ายอัตตะ ก, กิยร์บรรานุโยคได้ถ้าหากว่าเราจมอยู่ในทุกข์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 ก็เป็นพ่อเขาทำร้ายตัวเองด้วยเขาคิดแต่เรื่องของเทตที่ทำให้ตัวเองรู้สึกผิดหรือว่าเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหลายเรื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกทรมานตนแบบหนึ่งนะคือแทนที่จะออกจากทุกข์นะแต่กลับซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นแลานพวกเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน ลักษณะที่เป็นการสุขาร ห, หรการนโยโหรืออัตตะกิเลยมฐานนิโยโอย่างที่ผู้เจ้าตรัสในธรรมตะปตนาสูตรนะแต่ว่าเราก็นะเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างนี้ระหว่างเพลินในสุขกับจมในทุก์นั้นการที่เรานํำมันไข้ครวญ น, นะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสเนะ่ยเรื่องทางสายกลางเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยโดยเพราะการมีสตินะสัมมาสติสัมมาสมาทิสมาทิเพราะถ้าเรามีสตินะเราจะไม่เพลินในสุขนะ